ทำทุกบทกบทุบาทหากพวกเราที่นีพิจารณาจริงจังเส้น <c oughs> ของถี่เลึกเส้นมีคาหมายฝ่างฝังจริงจริงจังจงัหากผู้ที่มีปัญญาสามเณรทำแม่จะบทเยียบบาทเยี่ยวก็อธิบายไม่มีวันมีเวลาที่จะจบสิ้นไปได้แต่สึ้นอย่างไรก่อตามจะเมื่อจะน้อยสัตว์อะไรก็าตามก็เหมือนกันกับดินฟ้าอาสา เราจะไปท่วดถึงไม่ได้ก่ตามแต่ขอให้เราอยู่เราอาศัยสะดวกสบายในตัวของเราก็พอไม่ต้องไป่วดถึงไม่ต้องไปเกี่ยวข้อง่วไปอาหารมันจะมากเท่าไรก่อตามเรารับประทานอื่นแล้วเป็นพอไม่ต้องไปหาไปเหือ่อไปแบกไปหามยานีมากขนานสักเท่าไรก่ตาม สิ่งไดผู้โลภของเราเราควรนำมาแก้ไขมารับประทานยาส่วนนั้นพระโอษฐ์ไครไทยในตัวของเราหายมีคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะมีมากมายตายปองหรือต่างขังแต่ใช่อะไรก็าตามส่วนใดที่จุดใจของเรามันสัมผัสส่วนใดที่เราพิ่เจรณ า, านะาำส่วนนั้นได้รับความสะดวกสบายได้รับความสงบเงีย เราคนน้ำเราจะสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติแจกจ่ใจของเราจนให้ใจของเราได้รับควา ม, มสุขความสบายพ้นจากที่เคดีต่างหาเป็นพอในจ่องไปทีนี้พิเจนาะขั่อไปในโรคกระชากค่ะพิเจนาก็านะให้รวมลงชีวิตตายละอะไรทุกอย่างเป็นอนิจจังอะไรทุกอย่างถ่ายยึดมัน่น หรือนเกิดทุกและอะไรทุกอย่างมนใจของของเราทาก็เป็นทำต่ง า, างหากทางหจิตใจของเราหลุดพ้นไปจริงจังทาก็เป็นทำต่างหากในใจเราเราก็ไม่ใจทำจริงๆไม่ใจทาคืออะไรเราค้จใจทามานาตาติทานะสเปธมานจตา ไม่ว่าทำที่เป็นด่านวัตถุหรือด่านนามธทําเป็นอนัตตาทางนั้นแต่จริงที่มาเห็นว่าสัพเพธรรมานตตาคืออะไรท่านเข้าใจแก่นใสครัคดเจนอันนั้นจะสมมติมว่าอะไรคนที่รู้คนที่เข้าใจไม่กล้าที่จะสมมุติจะสมมติ อ, มอะไรไม่ถูกทางนั้นเพรอสมมติมเป็นอย่างหนึ่งของธรรมชาติ ที่เหนือตะมดมันเป็นอีกอย่างท่านเข้าใจชัดเจนเห็นไปจากอย่างนั้นท่านจึงว่าสัพเพธรรมานาจารางเราทั้งหลายจะไปเอาสัพเพธรรมาน า, าตารีเดียวอะไรก็เป็นั้นจาไม่ต้องเกี่ยวข้องปล่อยตา ล, ละเลยไปหมดไหว้พระเสด็จมลเดินตรงกรมเพราะว่านะทำหน้าที่ต่อไปปฏิบัติอะไรไม่เอาผ่านท่านั้นเพราะ พระพุทธเจ้าอะสัพเพธรรมานะตาจะไปยึดอะไรจะไปซื้ออะไรแต่จรงคือในกับเพทํามานะตาคืออะไรเราจังไม่ใส่ใจเราปล่อยพิยงไปหมดมันเสียเราต้องเกาะต้องอาศัยทคทำสั่งสอนไปเสียก่อนในเมื่อเราจังไม่ได้ไหนถีงไเพียใจไปปฏิบัติใจจริงได้ที่เราปฏิบัติได้รับคําสุขความสบายทั้งกายทั้งใจ ต, ต้องาาการทำดีในของพระพุทธเจ้ารีบกระพื่อปฏิบัติเราได้ทํามากเทาไรจิตใจเท่าไรดีแจ่มใสยิ่งจะรับความสะดวกสบายไม่มีการตันหนุนจิตเตือนตัวของตัวว่าตั่วอย่างนั้นเสียอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ทําทําดีอะไรวันนี้ต็อไปทำวั น, น, น้าหลังเต่อไปทำอะไรต่อไม่มีขึ้นดีในตัว ถึงควาั่วดี่เป็นไปสังคมเกี่ยวของหรือไปพูดไปทำเราก็เกิดความเดือดร้อนเหมือน ก, นกันกับโจรถึงส่วนของทรัพย์จะไม่มาเจอเขามันไปส้นเขาไปขโมยเขาใจถ้ามันเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะสะดวกสบายแค่มันไปทำทำขวดเอาไว้ทำขวดแผบเขาใจต้องใหม่ดีสม่ำเสมอไใจจนเราต่อนทีน้ที่แกนะ หาทางแก้ไขหาทางจะทำบำเพ็ญคามดีใ้จิตใจสุ่มสิ้เบกบานอาศัยเกาะเรื่องของธรรมนี่ไปเสียก่อนจนไปถึงจุดหมายปลายทางเราจะวางึละจึงถอจึงถอนจึงปล่อยได้เห็่าจับเทธรมานตาจิงจังงทั่วไปในว่าสิงที่เป็น รหรือเป็นนามธรรมเป็นอนัตตาจริงจังวางได้ในเมื่อเราเรารู้ใจเรื่องของจิตจริงจันี่เรายังไม่รู้จักเรื่องของจิตยังจะเห็นแต่แสงของมันตัวไปเป็นอย่างไรในมองเหนในคอยใจแต่มันแสงมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเราเห็นแต่แสงของมันเท่านั้น เรื่องของจิตจริงจังกับคำนองเดียวกันเราจะใจหราเลือกุดต่างๆทวามรู้ต่างๆเป็นเรื่องั้งสิตแต่จิตจริงๆเราไม่รู้จักเม่รู้จักก็ม่มีการที่จะเน็นแก่เรื่องของตเราต่อหนแ่ต่อแสของมันหรือแสงมัน แปล่ยนงต่างๆเข้าใจว่าเรามีจิตมีใจโดยเนจิตใจเราจะไม่เข้าไปถึงเราจะไม่เข้าไปเห็นเรื่องของจิต้องใจเหม็นจิตเส็นใจเพียงจังอะไรทั่วไปที่มันเกิดขึ้นใจจิตใจใจเราก็รู้จักอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของจิตของใจที่มันไปเกี่ยวข้องธรรมดาให้รู้จักการปฏิบัติมันก็ง่ยรู้จักคนในบ้านรู้จักแต่ถ้าหา คนในบ้านก็ไม่รู้จักแฝดก็ไม่รู้จักก็รู้อย่างไรว่าจะทําการปฏิบัติต่อไปในเรื่องของอารมณ์ภายนอกเราก็ไม่รู้จักเรื่องของอารมณ์ภายในเราก็ไม่รู้จักอะไรเป็นที่เหลด์เราก็ไม่รู้จักอะไรเป็นทํามเราก็ไม่รู้จักเราจะประเัตปฏิบัติตัวของเราให้ถูกต้องก็ยากการปฏิบัติมันประเัติ ปฏิบัติไปใจละเอียดเท่าไหเท่าไรจะได้รับความรู้ความเห็นเห็นไปเหเรื่องของจิตจริงจังว่าเ่งความปูุงเป็นอย่างไรอย่างสัญญาเป็นอย่างไรอย่างเวทนาเป็นอย่างไรขันทั้งห้าจิตพระพเจ้าว่าไหมใส่เป็นอย่างไรเข้าใจชัดเจนันจบสะดวกสบายเท่านั้น รู flesh, um, me, ้ว่าอะไรเป็นขันอะไรเป็นจิตมันลําบากเราจะเนี่ยันเนี่ยกองเป็นอย่างนั้นน้าใสมันก็อะใสอยู่ในน้ําขุนนั่นแหละถ้าหากเราปั่นดีแล้วกลองดีแล้วขุนมันก็หมดไปตกไปเป็นโมเป็นเลนไปเสีส่วนน้ำมันก็ใสแจ๋วที่เราปั่นออกไปได้มันเป็นอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านถ้าหากไม่เอาทํา ทำสังสอนเข้าไปฝันกองดัง่งก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะใส่จะสะอาดเดี๋วนั้นการประเพื่อปฏิบัติการพิณิพิจารณาการอบรมจิตใจท่องตนจึงขอเชิญทุกพันทุกคนเหมือนพิณิพิจารณามันประเพื่อปฏิบัติหาเรามันประเพฤ่อปฏิบัติมัอนชำระสายแงจิตใจท่องตนอยู่ทุกวันทุกเวลาของดีมีค่า คือีมดหรืหอวิปจิตธรรมจะเกิดขึ้นให้เราระจากแัดเกินในตัวของพวกเราในวารสารการอธิบายธรรมขอบุญุปสนและคุณพระรัแนไใจทรงคุ้มครองรักษาพวกนักปฏิบัติทั่วไปให้ประสบแต่ความสุขความจเจริญ เดรทุกเรื่หน้าเธอเองต่อหน้ไปจะได้อธิบายธรรมะของพระพุทธเจ้าสู่กันฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่อัศจรรยอย่างซึ่งมีอายุยืนนานมาถึงสองพัน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 สีสีเหมือนของย่อมธรรมดาของย่อมย่อมใหม่ๆผ็มีสีสดใสท่านชายไปนานสีสีย่อมก็หายไปนี่คือของใหม่ส่วนของจริงของธรรมชาติสีอย่างไรก็ยังคงที่อยู่อย่างนั้นไม่มีมแปรผันไปเป็นอย่างอื่นคำคำต่างๆของพระพุทธเจ้า เป็นตัดแตะทำเป็นของจริงอย่างนั้นจึงไม่แปรผันไปตามยุคตามสมัยตามตาลตามเวลาแต่ผู้ประปฏิบัติย่อมขึ น, ข น, ขนล ง, ลงในคงที่บางทีบางคราวผู้ประปฏิบัติตั้งหน้าตัางา้งตาประพฤปฏิบัติกันจริงจังโดยยอมได้รับมรรคผลบางคราวบางสมัยคนไม่สนใจในธรรมะ ธรรมะก็อัดเสาลงไปเพราะไม่มีผู้ต่างใจต่อพฤติบัติเป็นยุคเป็นสมัยอยู่อย่างนั้นแต่ส่วนปัดจะทำคํำต่างสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังคงที่เพราะเหตุใดจึงคงที่เพราะเป็นของจริงเช่นแผ่นเสาวัาทุกทุกก็มีจึิงประจําสัตว์ประจําสังขารสุดทั่วไปไม่ว่าการใดสมัยใดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นด้วย ไม่อุบัติขึ้นทุกข์ก็มีอยู่ประจำหัวใจประจำตัดประจำสั้งขานอยู่อย่างนั้นถ้าัวใจเจากปรีนี้พานไปความทุกข์ก็ยังคงที่จะ ม, มีแปรขันไปเป็นอย่างอีกเหตุนั้นทุกข์ที่าท้เป็นของจริงจริงๆอยู่ทุกการทุกเวลาไม่มีเวลาใดที่จะล่าสมัย ชื่อว่าทุกทุกคนย่อมรู้จักเพราะเหตุใดเพราะทุกมีประจําตายประจําใจของเราทุกท่านทุกคนมีทุกนิจเจทุกหรืออาคันทุกข์กับทุกนิจเจทุกหมายถึงทุกประจําธาตุประจําขันที่เรามองไม่เห็นกันว่าเป็นทุกกเพราะเหตุที่เราเยียวยาหรือรักษาอยู่ทุกการทุกเวลา ยาเล่านั่งมากมากทุกข์ปวดแสดงขึ้นปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวเต้าเดินมากมากทุกข์ปวดแสดงขึ้นอริยาปวทั้งสี่เป็นยาสําหรับบําบัดทุกข์แต่เฉพาะอริยาปวทั้งสี่ก็ยังไม่พออาหารการกบขันอยู่กินทุกอย่างก็เรื่องบําบัดทุกข์ถ้าพอนท่อนสบายวิธีอยู่ที่อาศัยก็เป็นเรื่องบําบัดทุกข์เหมือนกัน ทางหกไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแก้ไข ท, ทุกของมนุษย์เราจะทุกข์มากขนาดไหนเส้นเรานั่งวิริยบทเดียวจะนั่งพับเทียบหรือนั่งพัดถมาต์ก่อตามนั่งนานๆไม่ถึงฟันถึงขื่นก็จ ะ, สะแสดงขึ้นเรื่องของทุกข์ทุกข์ที่สแสดงขึ้นเกิดขึ้นจากการไม่เปลี่ยนวิริยบท เดืนั้นการเปลี่ยนอียบบทจึงเป็นยาสําหรับบําบัดทุกข์ส่วการส่วนเวลาไปแต่จะหนีจากทุกข์หนีไปไม่ได้เส้นเรานั่งเหนื่อยไปเปลี่ยนอียบบทเป็นยืนเป็นเดินไปเสียทุกข์ที่นั่งก็หายไปแต่ไปยืนไปเดินานานๆเข้าทุกข์ตับเข้าไปฮะยืนฮะเดินอีกตลองตบมานั่งมานอนนี่เป็นเรื่องของนิดเ็บทุกคือ ท, ทุกเป็นเนียงนิดถ้าหาก ไมทท่ที่นิติเจรนาก็เข้าใจว่าชีวิตชีวาของเราด้วยร่างกายของเรามีความสุขความสบายถ้าพิจรารณาแยบคายในร่างกายของเราทุกท่านทุกคนมีทุกประจําอยู่อย่างนั้นที่เป็นนิตย์จะทุกนี่แหละเป็นทุกที่แก้ไขไม่หายหายได้ ก, ก็สัวการสัวเวลาเท่านั้นเหตุนั้นเราจึงไม่มีวันมีเวลาที่จะเอาชนะจากทุกได้ ถาหากมีขาดีขันอยู่เมื่อไรทุกจะต้องติดตามขาดขันของเราไปอยู่เมื่อนั้นมันมีวันมีเวลาที่จะได้รับความสุขความสบายทุกจี่จะมีเจทุกขบก็ยังชั่วพอป้องกันตัวได้เก่นหิวเราก็หาข้าวหาอาหารมารับประทานควาหิวจิตทําให้เราทุกข์กว่าหายไปเจ็บปวดเราเปลี่ยนอิริยาบถหรือฮะหยุกหายามาแก่ปวด ตัวการตัวเวลาก็หายไปถต่ยังไม่ถึงชาตถึงสมัยที่จะลมหายตายไปย่อมมีการหายอย่างนั้นแต่อภาาัณร์ทุกข์ทุกข์คือทุกข์จรเป็นของสําคัญเราจะเปลียนอิริยาบถมันก็เปลียนไม่ได้ถ้ า, าอากอภัณฑ์ทุกข์ทุกส่วนใหญ่มาประจำเราเช่นเช็นต้นว่าปวดท้องหรือปวดหัวหรือปวดหลังปวดเอวหรือเป็นไข้อย่างใดอย่างหนึ่งห น, นักๆเข้า ทุกส่วนนี้ถ้าหากหนักเข้ายังต่เราจะยืนหรือจะนั่งก็ยืนไม่ได้นั่งไม่ได้เพราะความทุกข์ส่วนใหญ่เขามาเบียดเบียนร่างกายของเราทุกเป็นของนีอยู่อย่างนี้ที่เป็นทุกข์ประจําขาดประจําขันทั้งอาทันถุกปะทุกและนิจจทุกมีประจําอยู่ถ้าพุทธเจ้าจึงให้พวกเราพุทธบริสัท กัวไปทีนี้พิจารณาเรื่องของทุกข์ทำไมถึงพิจารณาเรื่องของทุกข์เพราะเราอยากจะหนีจากทุกข์ทุกคนไม่ปราถนาทุกทุกคนไม่ยินดีในทุกข์เกียรตินายทุกข์แต่เชื่อว่าทางที่จะหนีจากทุกข์เรายังไม่มองเห็นเพราะการเราทีนี้พิจารณาเรื่องของทุกข์ในเขียงคอจิตใจในเดือนหนา ชาติตีลุกขาชาลาติตุกข า, า, ามรณะติตุกขังที่ท่านพูดไว้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าสําหรับในพวกเราที่นิพพิจารณาทุกขฐานนี้เกิดความแก่กว่าตามมาความเจ็บไข้และความร่วมตายกว่าตามมาเมื่อมันมีอยู่อย่างนี้อะไรเป็นเหตุให้แก่ให้เจ็บ ใ, ใ, ใ, ให้ตายก็คือเกิดเกิดเทเบลมันถึงมีเกิด เราไปที่นี้ทีารนาและเราก็ชอบใจก็อีกเรื่องข้องเกิดและเรื่องท้องวามเป็นอยู่แต่ไม่ชอบใจเรื่องของทุกข์เราไปแก่เอาผลของมันควรเหตุไม่อยากแก้กันถ้าพุทธเจ้าท่าจนจึงตรวส อ, อบที่นี้ที่เารนาด้วยพระองค์เองเห็นว่าเรื่องของทุกข์จะเกิดขึ้นจากอะไรท่านที่นี้ที่เจรนาไปเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นจากสมุทยัย สมุทัยคือเรื่องของใจใจนั่นแหละเป็นทุกข์ใจนั่นแหละกระวนกระวลใจนั่นแหละเป็นของฉีดเดือดร้อนทุกข์เกิดขึ้นจากเรื่องของใจเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสําคัญเราจะที่นี้ที่รณาได้เป็นเรามีบ้านอยู่อาหารการกินบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมอุปโภค์บริโภคสมบูรณ์บริบูรณ์แต่เท่าไหร่ เราก็ยังมีทุกอยู่ทุกส่วนนี้เรียกว่าทุกเกิดจากใจเรียกว่าส ม, มุทยัยคือใจของเรายังมุ่งมา่นาธนาอยากได้ในนี้ในมีเพืองพอได้มาเท่าไหร่ก็ยังไม่จุใจยังพอไม่เป็นอิน่มไม่เต็มเหตนั้นทุกเรื่องของส ม, มุทัยนี่แหละเป็นทุกใหญ่ทุกตกทุกจน นั่งไม่ได้นอนไม่หลับก็มีโ ร, ใรกใข้ๆข้เสี่ยงส่วนอื่นไม่มีแต่ทุกเรื่องท้องใจที่มันปรุงไปคิดไปในเรื่องต่างๆทําทุกให้แกเจ้าตัวเป็นส่วนใหญ่ทุกเกิดจากส ม, มุทัยนี้เป็นเรื่องทุกท้องใจส่วนทุกเกิดจากกายที่ว่ามันถูกเย็นมากมันก็เป็นทุกข์ร้อนมากมันก็เป็นทุกข์นิ้วบาดหายมันก็เป็นทุกข์ก็ยังพอเยียวยารักษาได้ ส่วนทุกเกิดขึ้นจากใจจะต้องอาศัยธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปจับเข้าไปทีนิสัยเจรณาเข้าไปแก้ไขปัญหาปัญหาและวความอยากความอยากของเรามันมากเอาเหลือกเกินมากกว่าจริงทั่วไปถ้าหาเราอยากอย่างไรแล้วความเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นโลกอันนี้ไม่มีบุคคล ผูอื่นจะอยู่ได้เพียงแต่เราคนเดียวก็เต็มไปแล้วในโลกอันนี้คิดไปตรุงไปยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ปรุงไม่มีวัน ม, มีเวลาที่จะหยุดจะหย่อนความอยากของใจอย่างนี้ทํำอย่างว่าสมุทยัยถึงเป็นส่วนที่จะแก้ไขได้ถ้าเราแก้ไขสมุทยัยหมดความอยากเมื่อใดความทุกข์ภายในใจก็จะดับลงไปหายลงไปเหลือแต่เรื่องทุกข์ของตาย เรื่องทุกข้องใจก็มีวันมีเวลาที่จะหายไปได้เพราะกายแกตกกายดับเมือ่อใดความทุกข์ก็จะหายไปเองส่วนทุกข้องใจถ้าหากไม่แก้ไขไม่ประพฤตปฏิบัติไม่ทินิททิจารีนาไม่มีวันมีเวลาไม่มีทบดดใดชาตใดที่จะหายไปได้ทุกทางตายจะเกิดขึ้นก็เพราะเรื่องทุกข้องใจเป็นส่วนใหญ่เพราะเมื่อเรามีกิเลสปัญหามานะัชิต มีอวิชชาตันหาอุปาทานจะต้องทํารรมตามที่เรากระทำเป็นเหตุให้เกิดสุขเกิดทุกต่างๆตามเหตุของการกระทําข้องตนเหตุนั้นเรื่องของใจเป็นของสําคัญที่เราจะเกิดตกเพราะเรื่องของใจเพราะในเบือนายเรื่องของความทุกข์ในที่นี้พิจารณาเรื่องของความทุกข์เห็นแต่ว่าเป็นสุข สนุกสนานั้นเกิดขึ้นมาไม่อยากอย่อยากเกิดอยากตายแต่เธอว่าอยากเกิดมันก็ห้ามไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะธรรมดาของความเกิดจะเกิดเป็นสัตว์ประเภทใดก็ตามเป็นมนุษย์เป็นเทวบุตรเทวดาก็ตามจะต้องมีความแก่คามตายเป็นธรรมดาของมันสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดาถ้าหากสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับ อะไรที่ไม่เกิดไม่ดับอยู่ในตัวของเรามีไหมพระพุทธเจ้าท่านค้นพบทิ้นที่ไม่เกิดไม่ดับท่านจึงเป็นผู้ประเสริฐยิศษทิ้งที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือเรื่องของใจนั่นเองใจที่ชาระใจที่แก้ไขใจที่ที่ไม่พิจารณาธรรมะพอตัวของมันแล้วจะไม่มีการเกิดไม่มีการดับความไม่เกิดไม่ดับท่านกล่าวเป็นสุขอันยิ่งยวเศษนั้นพวกเรา สิ่งเป็นพุทธบริษัทอยากจะประสบพบของดีลิเศษอยากจะประสบพบความสุขอันเลิศที่มันมีวันมีเวลาที่จะเสี่ยมเสียเราก็จะต้องตั่งหน้าตั่งตาที่นี่ที่จะนา่าหาสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมันมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเช่นความรู้ความรู้ของเรานี่ไม่เกิดไม่ดับถึงเรานอนหลับเราก็ยังรู้ว่าเรานอนหลับอยู่เราหลงเราก็รู้ว่าเราหลงอยู่ ความรู้อันนี้แปลกประหลาดรู้อยู่ทุกการทุกเวลาแกเทต่ไหนเราถึงไม่มีความสุขเรามีความรู้อยู่เพราะความรู้ของเราไปเกี่ยวพนกับสิ่งที่เป็น <c oughs> ทุกข์าความรู้ของเราไม่เกี่ยวพนกับสิ่งที่เป็นข้าศึก่วยเจเิญปัญหาความรู้อันนั้นจะไม่มีวันมีเวลาที่จะ มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความรู้สิ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐิเศษมีอยู่ทุกท่านทุกคนแต่หากฝึกฝนหรืออบรมยังไม่ได้ความรู้ยังเชี่ยอยู่กับคิดกับใจเหมือนกันกันกบเปือกกับมันธรรมดาเปือกมันถ้าหากเราจะขบจะฉันจะอยู่จะกินโดยไม่มีวิธีการทําให้มันสุกเสียก่อนจะกินยากเดี๋ยวจะเป็นคิดเป็นไใจ เกิดคันหรืเกิดเบื่อขึ้นทางหาผู้สลาดนําไปต้มไปเผาเสียจนพิศไทยในเถือกในมันหัวนั้นหายไปเหลือแต่เถียรแต่มันธรรมชาติเรามาขบม้ฉันมาอยู่มาจิ้มก็อร่อยอร่อยไม่เป็นทิศเป็นไทยนี่ฉันใดความรู้ข้องเราที่เกียวนไปด้วยที่เหลือปัญหาจึงยังชยใช้นดน้เราต้องสําระสระสางชนิดพิจะรณา สชำระเรื่องที่เหลือปัญหาออกจากความรู้ของเราจนเหลือแต่ความรู้วล้วนไม่มีสิ่งอื่นเข้าไปเกียวพนความรู้ส่วนนั้นแหละเป็นความรู้ที่หลุดพ้นไปจากที่เหลือปัญหาความรู้ส่วนนั้นแหละจะมตกลับมาสู่ทุกขอ์อีกเหตุนั้นการปฏิบัติธรรมจึงสาคัญควรพวกเราทุกท่านจะชนิดพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจา้า ทางที่พิจารณาลึกซึ้งเข้าไปเท่าไรจิตใจละเอียดเข้าไปเท่าไหรจะเห็นอัจฉริย์เข้าไปเท่านั้นไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีสถานที่เป็นของบิดี้องดีของเปิดที่เศษอยู่อย่างนั้นธรรมะของท่านจึงไม่ลาสมัยเหมือนกันกับคําสอนทั่วไปหรือคำพูดทั่วไปเราทุกท่านจงสนใจจงที่นี้พิจารณาให้รู้ให้เข้าใจเรื่องธรรมะที่ว่า เป็นของสดเดือดดีเศษอย่าเป็นบบเด็ดเทียงอยากจะประสบความสุขสบายต่อพืชปฏิบัติความสุขที่เรามุมาาายย่งมาสาธารณะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นไม่เป่นขึ้นถ้าหาผู้ใดทีนี้พิจารณาขับไล่กิเลสปัญหาอวิชาอุปาทานออกจากผู้ผู้เป็นผู้ เ, เด่นดวงอยู่ไม่เกี่ยวนไป ด, ด้วยอวิชาตัญหาอุปาทานเมื่อใดผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ มีความสุขความเจริญไมมีความทุกอย่างไรมาเกี่ยวพนได้เหตุนั้นขอทุกท่านจงคิดพิจารณาผู้รู้ก็มีอยู่ในตัวของเราพระพุทธเจ้าก็ในไปหามาจากที่อื่นพระองค์ประพฤติปฏิบัติจนรู้จนเห็นจนผู้รูไม่เกี่ยวพนสับอวิสาจันหาอวิชฌานท่านจึงอยู่สะดวกปายสบายใจนําเอาความรู้อันนั้นมาแนะ พวกเราสอนพวกเราพวกเราผนะููผิดมุ่งมาปราฐานความสุขความเจริญก็คือทินิทุทเจรนาให้เห็นผูู้้ของตนเด่นดวงออกไปจากความรู้ที่ปอมปลอมหรือเกลียบกลไปด้วยที่เด็ดตั้หาเหมือนกันกับผูส้สละนนำเอาเถือกเอามันไปทําใ้สุกเสียก่อนจึงมาขบมาฉันมาอยู่มากินจะไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ร่างกายของเขาชั้นใดจิตใจของเราที่แบบ เป็นทิษเป็นไทยที่มีกิเลสปัญหาเสียตนอยู่ก็พากันฝึกฝนอบรมด้วยวิธีการต่างๆเอาความผ่าความเทียนเอาความอดความทนเข้าสู่ตนกับเรื่องของกิเลสปัญหาเสียก่อนจนกิเลสปัญหาสงบรางับหรือดับไปด้วยเรื่องของปัญญาปัญญาจะต้องทับไล่เรื่องของความเชื่อช้าลามกซึ่งเป็นเรื่องที่ทาให้เราเป็นทุกข์ หายออกไปจากใจของเราใจของเราจะสว่างสไสวใจของเราจะเบาสบายใจของเราจะหายจากความทุกข์ต่างๆเกหตุนั้นขอทุกท่านตรงหมั่นที่นิชิเจรนานำธรรมะของพราพุทเจ้าเข้าไปฝึกผลกายรายาจใจของตนจนเกิดผลคือความบริสุทธิ์เมื่อต่างชาติต่างคนอุตสาห์ฝึกฝนอบรมตนของตนจน ถึงที่สุดรีโมทได้ก็จะมีความทุขตายสบายใจเนื่องจากพบจากชาติไปก็จะไม่มีทุกข์อีกเหตุนั้นวันนี้การอาธิบายธรรมะถ้าหากจะอธิบายได้มากก็เหน็ดก็เหนื่อยเหตุนั้นจงนำธรรมะที่อธิบายมานี้พากันไปต่อพืชปฏิบัติดูจนให้รู้ให้พอใจในตนของตน การที่บายธรรมะขอเห็นบ่าสมควรแก่เวลาขออย่ติเควรงแค่นี้เอง